ปฏิจจสมุปปาบาทวงเล็บเปิด6มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดหลวงพ่อเคยไปบวชที่วัดโชลประทานบวชกับหลวงพ่อปัญญาท่านมีพระคุณใหญ่หลวงอยู่อันหนึ่งวันจะเวลาท่านศึกท่านเรียกไปพบและเอาหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสมาให้เล่มหนึ่งในหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสพูดเรื่องปฏิจจสมุปปาบาทว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปปะบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปปะบาทปิดเครื่องหมายคำพูดก่อนหน้านั้นเคยได้ยินแต่ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราปิดเครื่องหมายคำพูดนี่พระพุทธเจ้าบอกพระวักกะลิเครื่องหมายดอกจันอธิบายเครื่องหมายดอกจันพระวักกะลิพระมหาสาวกองหนึ่งเป็นบุตรพราหมณ์ชาวพระนครสาวัตถีเรียนจบไตรเพศ ต, ตามลัทธิพราหมณ์ บวชในพระพุทธศาสนาด้วยความอยากเห็นพระรูปพระโฉมของพระศาสดาครั้นบวชแล้วก็คอยติดตามดูพระองค์ตลอดเวลาจนไม่เป็นอันเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าต้องรอเวลาให้ญาณของเธอสุกงอมครั้นแล้วก็ตรัสเตือนเธอว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดจะมีประโยชน์อะไรที่ได้เห็นกายเปื่อยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราปิดเครื่องหมายคำพูดดังนี้เป็นต้นและสงสอนต่อไปด้วยอุบายวิธี นในที่สุดพระวกกะลิก็ได้สำเร็จพระอารหันต์และต่อมาได้รับยกย่องจากพระศ า, าสดาว่าเป็นเอตะทัคคะในทางศรัท ธ, ธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยศรัท ธ, ธาทีนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ต้องเรียนปฏิจจสมุปะบาทให้ได้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปปบาทเราจะได้ธรรมะแต่เดิมนั้นธรรมะมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเรียนอันไหนเรียนแต่ละบทแต่ละบท และไม่รู้จะภาวนายอย่างไรทีนี้รู้อย่างเดียวว่าต้องเรียนปฏิจจสมุปปบาทก็ฝังใจว่าต้องเรียนปฏิจจสมุปปบาทให้ได้บวชตอนเป็นนักศึกษาพอศึกออกมาแล้วก็เที่ยวไปหาหนังสือปฏิจจสมุปปบาทเจอของท่านพุทธาทาส น, นี้แหละเล่มเล็กๆอ่านไปปฏิจจสมุปปบาทมีสิบสองขั้นตอนคือเพราะอาวิชชามีอยู่สงังขารจึงมีอยู่เพราะสางังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่เพราะวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ ไล่ไปจนกระทั่งถึงเพราะชาติมีอยู่ทุกจึงมีอยู่วงเล็บเปิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารลูกศรวิญญาณลูกศรนามรูปลูกศรสลายตนะลูกศรผัสสะลูกศรวทนาลูกศรตันหาลูกศรอุปาทานลูกศรพบลูกศรชาติลูกศร ชารามรณะจึงมีความโศกความคล่ําครวญทุก์โทมนัดและความขับแค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีด้วยประการชนนี้วงเล็บปิดแล้วก็มาดูความหมายของศัพท์แต่ละคําอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคไม่รู้นามรูปที่เป็นอดีตไม่รู้นามรูปที่เป็นอนาคตไม่รู้นามรูปทั้งอดีตและอนาคต ตัวสุดท้ายคือไม่รู้ปฏิจจสมุปปาบาทอ้าววนกลับมาอีกแล้วมีปฏิจจสมุปปาบาทอีกแล้วเราก็อยากเรียนปฏิจจสมุปปาบาทอุตสาหานังสือมาอ่านพูดถึงอวิชชาอวิชชาก็ไปอ้างปฏิจจสมุปปาบาทอีกดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะรู้แต่ว่าอวิชชาเป็นความไม่รู้แปดอย่างไม่รู้ทุกขสมุทัทยนิโรธมรรคไม่รู้รูปนามที่เป็นอดีตรูปนามที่เป็นอนาคตรูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคต แล้วก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท8อันฟังแล้วมันก็ไม่เห็นจ็กเก็ตในวงเล็บเข้าใจตรงไหนเลยอะแล้วธรรมะมันก็ขาดเป็นช่วงๆไปมาดูสังขารว่าสังขารมีสมอย่างคือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนยชาพิสังขารฟังแล้วปฏิบัติอย่างไรไม่รู้อีกจะทำพิปัสนาได้อย่างไรก็ยังไม่รู้จะเห็นมันได้อย่างไรก็ยังไม่รู้ สังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นอย่างไรวิญญาณอย่างลงรูปนามเลยปรากฏไม่เข้าใจตรงนี้อีกนี่ธรรมะมันขาดเป็นช่วงๆองค์ธรรมของปฏิจจสมุ ป, ปบาท12ขั้นตอนมันไม่ต่อกันเรารู้ว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรแต่มันสัมพันธ์กันอย่างไรไม่รู้แล้วจะเอามาปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ไม่รู้เลยจนกระทั่งต่อมามาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง ถึงได้รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆหัวใจมันก็คือการเจริญสตินั่นเองอริยมรรคมีองค์8ในเบื้องต้นต้องมีสัมมาทิฏฐิเสียก่อนในขั้นปริยัตินะในเบื้องต้นมีสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้วิธีปฏิบัติในเบื้องกลางระหว่างลงมือปฏิบัติต้องมีสัมมาสติสัมมาสติเป็นตัวหลักเลยในเบื้องปลายตอนที่จะเกิดอริยมรรคนะสัมมาสมาธิจะเป็นตัวหลักการที่พวกเรามาฟังหลวงพ่อพูดธรรมะให้ฟังเนี่ย เรากำลังเรียนสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติอยู่เพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือวิธีเจริญสติทำให้มีสัมมาสติขึ้นมามีสติบ่อยๆมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นใดอีกต่อไปแล้วการปฏิบัติมีเท่านี้เองมีแต่การมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามลงเป็นปัจจุบันรู้ตามความเป็นจริงรู้เท่านี้เองถ้าใครไม่มีสติใช้ไม่ได้ ถ้ามีสติแล้วไม่รู้กายไม่รู้ใจแต่ไปเพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้เพราะต้องมีสติรู้กายรู้ใจต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่รู้แล้วดัดแปลงไม่ใช่รู้แล้วแก้ไขไม่ใช่รู้แล้วอยากให้มันเป็นอย่างอื่นจริงๆมันเป็นอย่างไรต้องรู้อย่างนั้นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วหลงยินดีรู้แล้วหลงยินร้ายก็ใช้ไม่ได้จุดที่ผิดพลาดมันจะผิดตรงนี้เองอันแรกเลยไม่มีสติจริง อันที่สองพอมีสติแล้วก็ไปเพ่งรูปเพ่งน้ำหรือไปเพ่งอย่างอื่นไปเพ่งอย่างอื่นก็ได้เช่นไปเพ่งความว่างเพ่งไฟเ<ม> <ๆ S 1> พ่งน้ําเพ่งดินเพ่งกระสินอะไรอย่างนี้ต้องรู้รูปรู้น้ำไม่ใช่เพ่งเอาต้องรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามคือไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่อีกแล้ววิปัสสนานะเราต้องในเครื่องหมายคําพูดมีสติเครื่องหมายคําพูดเปิดรู้รูปนามวงเล็บเปิด รู้กายรู้ใจปิดวงเล็บปิดเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดเปิดตามความเป็นจริงปิดเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดเปิดด้วยจิตที่เป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูดค e y w o วิ s ์วงเล็บเปิดคำสำคัญวงเล็บปิดพวกนี้จำเอาไว้ก่อนนะคนที่ปฏิบัติผิดพลาดคือพลาดจากค e y w o วิร์ตัวนี้เองอันแรกเลยไม่ได้มีสติจริงเราก็ต้องเรียน หลวงพ่อถึงจำจี้จชาชัยสอนทุกวันว่าสติเป็นอย่างไรสติเกิดจากอะไรสติทําหน้าที่อะไรถ้าสติทําหน้าที่แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นจาจี้จชาชัยสอนอยู่อย่างนี้เพื่อให้มีสติถ้าจากนั้นก็สอนให้ว่าต้องรู้รูปรู้นามนะรูปขีดให้รู้ลงปัจจุบันนามขีดให้ตามรู้ไปไม่เหมือนกันต้องรู้ตามความเป็นจริงคือต้องเห็นตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างอื่นไม่ใช่ต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง ถ้ารู้แล้วยินดีรู้แล้วยินร้ายก็อย่างใช้ไม่ได้